แต่ยังไม่ยังไม่หมดหนีสังสารวัตรนั้นขนาดนั้นสังสารวัตรในขนาดนั้นใครจะค้นถ้าไม่ใช่พระเจ้าใครจะเห็นทุกข์สัตย์มากขนาดนี้ถ้าไม่ใช่พระเจ้าใครจะเห็นสังสารวัตรที่ยาวไกลขนาดนี้ถ้าถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้านั้นสังสารวัตรต้องอาศัยปัญญาของพระเจ้าเป็นตัวเทียบเทียมเป็นเครื่องเทียบเคียมแล้วจะเห็น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 เอาเขาสิเนลุให้เป็นไม้ตีกองใหญ่ขนาดนั้นนะและยืนอยู่ภูเขาสิเนลุอีกจักรวาลหนึ่งตีดังได้แค่จักรวาลเดียวเสียงกลองเนะี่ยดังสุดๆแล้วเนะได้จักรวาลเดียวเท่านั้นเอาอ่ะไปคุยกันก่อไปคุยทีนี้ไปไปคุยกัน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 พระเถรละก็เกิดความเรื่องใสตรงนี้ถ้าดูรายละเอียดก็ต้องไปดูในอังคุตระนกิการจิกานิบาศเนี่ยไปดูในอังคุตรนกิการจิกานิบาตนนั่นแหละไปดูตรงนั้นก็จะได้ที่ท่านแสดงพอใสว่าพระผู้มียภาคนคั้นอาศัยกรุงสาวถีประทัพทิเชตวันพระองค์ก็แสดงอะไรแสดงอรุณาอวดีวดีสูตร อันนี้ก็ในสังยุตต น, นิการนิทานวักนั่นแหละยวไม่ใช่นิทานวักสตราสัขาทวักในสูตรนะที่แสดงบอกว่าอัพุกคตายะสะคุณาอานันตาเป็นต้นนั้นเนาะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงมีพระคุณทั้งหลายหาที่สุดมิได้ทรงเป็นดวงอาทิตย์หนึ่งดวงในพุทธเขตทั้งสามก็คือในชาติเขตในอนณาเขตในวิสัยเขต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 ในบรรดาคําเหล่านั้นนะพระองค์ปฏิเสธการเกิดเป็นต้นอย่างตรงๆ ร, รงได้คาว่าไม่เกิดเป็นต้นแล้วปฏิเสธความเคลื่อนและความอุบัติไปไมามาด้วยบททั้งสองว่าไม่เคลื่อนไม่อุบัติตรงเนี้เขาก็มาวิจารณ์บอกว่าพระองค์ตัดไว้เกี่ยวกับคัาพระเสยยกะกําเนิดสังเสทชะโอปปาติกะชลาพุชาเป็นต้นคําต่อ น, นี้ตัดไว้โดยอุป ป, ปาติกะคือการอุบัติเกิด